มีกิติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้ก็มีอยู่ในสงฆ์สงฆ์ก็ไม่ได้ว่ากล่าวภิกษุณีเหล่านั้นเลยสงฆ์ได้แต่ว่ากล่าวพวกท่านเท่านั้นด้วยความดูหมิ่นเหยียดยามด้วยความไม่พอใจด้วยการคมคูเพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนกัน ภิกษุณีสงปกปิดโทษของกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสันเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้นดังนี้จริงหรือพวกภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายชณะภิกษุณีทุลนันธาจึงบอกภิกษุณีทั้งหลายผู้ถูกสงสวดสมรภาพแล้วอย่างนี้ว่า